ยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิพเมวะสมิจัตุสัพเีปูเรนตุสังกะปาจันโธปนาราสุยะถามณิโชติ ระโสยถ า, าสภีติโยวิวัชานตุสพภโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคายยโกภะอภิวาธนาสีลิสานิจังบุตธาปจายิโนจัตตาโรธรรมวัฏทานติอายุวันโนสุขังพาลังอายุวัฏโกธนวัฏโก สิริวัตโกยะสวัตถโกภะวัตถโกวันวัตโกสุขวัตถโกหอนตุสัพพาธาทุกขโรขพยาเวราโศกาสัาสตตุจุปัถวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุเจตสิสัสสาสยะสิทธิทะนังลาพังโสธิภาขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโน จะโพคังมุติจะยัสวาะตวัด ส, สายจะอายุจะชีวสิทธีภาวันตุเตภาวะตูสัพระมังคลังราขันตูสัพปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสั พ, พธรรมานุภาเวนะสั พ, พสังขานุภาเวนะสัทาโสตีภาวันตุเต